นี่วันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมนะจับขบคนนุณทีมาเจยดวันวันสุดท้ายนี่เาราปฏิบัติธรรมแบบเงียบๆแต่เริ่มจากแต่ เ, เช้าๆก่อน เ, เช้าๆมี่เริ่มมันเป็นประเพณีที่นี่คือไม่กินข้าววันสุดท้ายเนี่ยคือศึกษาละเอียดขึ้นหน่อยเริ่มทธรรมถเช้าแต่ไม่ใช่ไม่กินข้าว กินตอนเที่ยนตอนเช้านไม่มีลองฝึกลองดูช่วงฤดูหนาวเนี่ยอากาศดีทั้งคนียนก็ง่ายตั้นทำอะไรวันทำอยู่กับความสงบลองดูนะสงบเฉยๆเคลือรู้ในภาษาพุทธศาสนาเนี่ยมันมีคำ ว, ว่าคำว่าสาคยะมุนีมุนีเบว่ารผู้ร้ ภาษาเราทั่วทั่ไปเนี่ยเขาใช้คําว่าปราดเป็นปราดปราดผู้รู้ผู้รู้ที่อยู่กับความสงบนะผู้ที่อยู่กับความสงบเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นธรรมที่ลึกซึ้งแต่ไม่ต้องว่าจะถ่ายทอดได้จะถ่ายทอดคือไม่ถ่ายทอดก็รมแต่ส่วนมากปราดกุศล น, นอตามหลักของคําว่ามุนีก็คือ ผู้ที่หลบหลีกหีกเล้นตัวเองอยู่ความสงบสงัดตามที่ต่างๆจะอยู่ห่างไกลสังคมเราเรียกว่าปราดนี่เหมือนปราดที่เราเรียกกันไหมนะแต่ผู้รู้ภายในอย่างลึกซึง้งเองจะปราดทุกวันนี้เราจะหมายถึงบุคคลผู้ที่มีความรู้ผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับชาวบ้านให้กับบ้านกับเมืองกับ ไปสามารถถ่ายทอดทักษะการทำอาหากินหรืออะไรก็ตามแต่ในความหมายดเดิมเนี่ยอยู่กับความสงบผู้่ได้อยู่ความสงบได้ผู้ไหนเป็นคนใดที่รู้ภาวะภายในเขาเรียกว่าเป็นมุนีมุนีผู้สงบจงเก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคล้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้ไม่จน ไม่นจนสติปัญญาไม่นจนในความร่ำรวยศรัท ธ, ธาเขาก็เต็มที่วิทยะเต็มที่สติเต็มที่ ส, สมาธิเต็มที่ปัญญาในการจัดการกับอารมณ์เขาเต็มที่โสตตาปฏิยังคะองคุณนธรรมของพระโสดาบันศรัท ธ, ธาสูงศรัทธาสูงสติอัประมาณ ศรัทธาแล้วก็มีศีลศีลคือความปกติภายในคือพวกที่ฝึกสติมาแล้วเนี่ยไม่ผิดศีลข้ออะไรพราะกรัวติดอารมณ์แล้วพวกนี้ศีลมันจะเก่งขัดขึ้นหนาเพราะกลัวติดอารมณ์ข้าสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยเวลาไปเดินจุ ก, กมมันยากลําบากที่จะแกะออกแต่คนทันท่วโลกทั่วไปเขาไม่กรัวผิดศีลเพราะ เขาไม่ฝึกสมาธิพอไม่ฝึกสมาธินี่เสียงก็ไม่กลัวกินเหล้าเขาก็ไม่กลัวฆ่าสัตว์รักทรัพย์อะไรไม่กลัวไม่กลัวเพราะคิดว่ามันคือเขากลบเกลื่อนไปเรื่อย ๆ, ๆนะแต่พอฝึกสมาธิเนี่ยพวกนี้จะขึ้นมาติดเลยมันจะติดอารมณ์พอมันติดอารมณ์เราก็ไม่อยากให้มันติดอารมณ์เหมือนรถเนี่ยขับไปไม่อยากขับไปขี่ไปตามหนองคลองบึงหรือที่มันหล่อ ม, มันกระแทกปั้งทีเดียวเจ็บ หรืออะไรมันรุดเนี่ยรุจบชีวิตเราก็เหมือนกันนะที่ไม่อยากผิดศีลเ่าติดปัญหาเราก็ทํามันเฉยๆสักเลยลึกรู้ตั้งใจเลยลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเพราะทำเมื่อเข้ามาเข้ามาเข้าศีลมันก็มั่นคงมีศีลมีสุตตะโซดาบันนี่ยจะได้ยินในฟังมารู้เรื่องมาก ชอบฟังฟังนล้วสนุกฟังแล้วเพลินฟังอาจารย์นั่นพูดฟังอาจารย์นี้กล่าวฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยแต่ความเพียรจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่งชอบฟังแล้วก็ชอบเข้าใจนะแล้วมาซึ่งวิตกวิจารณ์คือมีหมดเลยมีพีติก็มีในใจเนี่ยมีศรัทธาก็มีมีความสุขด้วยแล้วก็มีใจว่างๆด้วย แต่มันทำต่อเนื่องไม่ได้แต่พอเข้าใจเขาเรียกว่าเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากเป็นพระหูสูตรหรือเรียกว่าพราะหูสัจจะมีความได้ยนินได้ฟังทำมาเยอะวกนี้จะไม่ผิดศีลเพราะอะไรเพราะสมาธิมันจะตกรักษาอารมณ์ไม่ค่อยอยู่นั้นพอมีศีลมีอะไรไม่ได้เกื้อกูลกัน เกรือกุลกันเกรือกุลสมาธิเนี่ยไม่ได้ทำความเพียรมากเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ผิดศีลสมาธิก็พอมีคือมันไม่ฟุ้งซ่านนะมันไม่ไปติดอารมณ์นั่นอารมณ์นี้คือพวกนี้ก็ไม่ค่อยฟุ้งซ่านนะแต่ว่าจิตมันจะมักติดอารมณ์ถ้าไปทำบาปเนี่ยผิดศีลขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันก็คือเป็นคู่ใจกว้างกันมาใจกว้างชอบจาค่ะ จากเ อ, อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่คือเริ่มรู้จักแล้วสาระชีวิตคืออะไรตอนนี้มีอะไรอันนี้ปล่อยลมไปกวาดตอนนี้ก็กวาดไปแทนลมตาเดินไปเดินมาลมมันพัดใบไม้เดี๋ยวหมุนไปอยู่กันนั้นหมุนตอนนี้ยังกับทะเลใสการสนมคอนกรีดตอนนี้มันกองอยู่ตรง น, นี้แต่พอเดินไปสักหน่อยมันไปกองอยู่ตรงโน้นมันหมุนไปหมุนมา ก็เลยลงไปกวาดไม่ได้ทะเลทรายเป็นงนะันนะว่าหนึ่งเป็นภูเขาทะเลอยู่ทางนึ่งเป็นภูเขาทรายทางหนึ่ ง, าา ง, งพอขับรถมาอีกชุดหนึ่งเอาภูเขาเนี่ยทรายมันย้ายไปอยู่อีกที่นึงมันปั่นไปปั่นมานั้นพวกทะเลทรายสิงทะเลทรายเขาใช้ผ้าคลุมหัวไ ง, งมันเปิดลงบ่อยๆเขาก็เอาห่วงยางอะไรนะัทับไปที่นึงไม่ต้องสาะผมอะไรมากมายเพราะคลุมไว้ฝุ่นก็ไม่ค่อยเข้าทรายก็ไม่ค่อยเข้ามา เตากอนอันเดอร์แวร์ก็ไม่ค่อยมีผู้ชายอยู่ในทะเลทรายเนี่ยพวกมันสกรปรกนะมันเป็นเ น, บบน่นไปที่หลายอย่างต่อมาเข้าถึงกับมีการคลิปเอาไว้ว่าเพศให้มันสะอาดอีกนิดหนึ่งก็คือคือให้มันสะอาดมันไม่มีสายมีนมีแล้วก็รวมทั้งเพิ่มจำนวนประชากรเป็นเป็น ความมุ่งหมายเชิเงการเมืองก็ามาเกี่ยวข้องเพราะส่วนมากศาสนาทางตัวนอกก่างจะมาจากการปฏิวัติกันไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆนั้นก็ต้องศัยกันกลุ่มชนในการสร้างพลังมวลชนกลุ่มชนขึ้นมาต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเนี่ยเพื่อความรดำ ร, อ ง, รองอยู่เพื่อจะโล่งสังคมอีกแบบหนึ่งนั้ น, น, นลมเนี่ย ของเราไม่ค่อยมีอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็ตั้งกันหากลางหันหลมพลังงานลมพลังงานอะไรแต่ว่ามันจะมีเฉพาะช่วงแบบนี้ช่วงฤ ด, ดูหนาวช่วงเดือนละนิดลมจะแรงมันตกข้ามภูเขามาก็ลงมาที่อ่างเก็บน้ําันหมุนขึ้นมาอากาศจะดีนะแม้เวลาเราไปนั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็จะมีแต่ความสงบสบาย แต่สบายจิตอ่อนเพก็นึกถึงโอ้ยหนาวแล้วกิอนเอาผ้าห่มทีนั่งสร้างจังวะสักหน่อยก็หลับไปซะสติมันอ่อนนะเอาอะไรมาสวมมันก็ปเป็นมั น, นคือมันเจะเลยเลยสมาธิเนี่ยเลยที่ตัวปกติไปหาความสงบไปสู่ความหลับซะเมื่อเราคุยกันในเวลาเราคุยกันเหมือนคุยที่แรกก็คุยเพื่อปรึกษาธรรมะที่สรดกันลุกลามไปเรื่องอื่นซะ คือมันจะไหลยอยู่เรื่อยๆจิตมันไม่เข้มแข็งพอดันั้นเขาบอกว่างดงดอย่าคุกคีกันมันมีโอกาสได้ดูตัวเองเพราะเปการผิดศีลผิดศีลก็คือเวลาเราทำาพอเพี้ยนมันเสียเวลาความปกติมันจะไม่ค่อยมีเพื่อจะซักฟอกจิตตัวเองได้มันยากลำบากเพราะนปกติศีลของนักพทษนักบวช จึงมีความเรื่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นวกา ว, าว่าคารวะญาณโยมเพราะอะไรเพราะว่าต้อให้มันอยู่กับปัจจุบันให้เป็นอย่างเงินเนี่ยชาตรูปราชาตะปฏิคณาห้ามครอบครองสะสมเงินทองเนี่ยนักโทษนัก บ, บวชเพราะอะไรเพราะมันใหคิดถึงอะจิตมันคิดถึงญาณโยมห้ามไหมไม่ห้ามะแต่พอมาอยู่ที่นี่ของห้าม ถ้าไม่ห้ามมันก็ได้หิ้งถุงนี่กลับไปกลับมากระเป๋ากูกระเป๋าน้อยกูถือไปถึงมาห้ามคือเอามาฝากไว้ก็ฝ า, ากไว้เขาก็ถือให้ไม่ถือถ้าถือก็ยากลําบากเห็นไหมพระสงฆ์เราก็จะมีถุงน้อยสวมอยู่ในนี่ถุงเงินถุงทรัพย์สมบัติถุงอะไรมั น, ม, นมันยากลําบากเขาทุกบอกว่าอย่า ม, มีเลยอย่า ม, มีแต่นี้เขามีที่เก็บเก็บทรัพย์สมบัติฝากกันนั้นไว้ฝากกันนี้ไว้ฝาก เนี่ยชีหรือฝากธนาคารหรา อ, อะไรก็สบายสๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรทักเสียงสมบัติมีค่า mm hmm. เวลาปฏิบัติภาวนาเนี่เราก็ไม่ห่วง mm ื hmm. ่อทีเวลามันหายเป็นอย่างนาฬิกาหา ย, ยก็คิดมากแล้วนะเฮ mm ้ย hmm. ไปไหนแล้วไงน่มันเสียเวลาเสียเวลาการอยู่กับปัจจุบันเนี่ย mm hmm. นั่นจะเป็นปาดผู้สงบหรือเป็นมุนีเป็นอะไรนี่เป็นไม่ได้เพราะเพราะ เ, าะเหตุปัจจัยเล็ก น, น้อยนี่ ถามว่าเป็นได้มันก็จะเป็นได้อยู่แต่ว่ามันต้องใช้เวลาเยอะสามวันห้าวันมันทําไม่ได้นั้นตัดทีแรกเลยง่ายใหต้องมีอะไรมากไม่ต้องสะสมสิ่งของเครื่องใช้อะไรที่ต้องมีคือคนง่ายๆ่ายบางทีจะว่าแต่เครื่องสิ่งของเครื่องสมองหายบางทีบางคนใช้ยิ่งห้อดีๆมากคนอยู่ข้างๆมันมองดูอยูหวองของยิ่งห้อดีเนาะพอหยิบไปติดอารมณ์แล้เราเนี่ย นั่นจึงแบบอยู่ง่ายๆสบายสบายไม่ต้องมีอะไรโควรู้กินอย่างต่ำนอนอย่างต่ำห้อวงกันกระทาอย่างสูงอยู่อย่างนี้ก็เอาอยู่แบบสบายสบายชีวิตมันก็ง่ายๆนะง่ายๆบาทีวันสุดท้ายเก็ บ, บอารมณ์บางแห่งบาครั้งบางทีนอกจากอาหารไปกินใครกินมันกินในทางจุกกลมนะ ใครจะกินช้าก็กินกินเพื่อสํารวจสังเกตความรู้สึกตัวพอใจไม่ไม่พอใจไห ม, ห ม, ไ, หมไหวได้ไหมวางได้ไหมเวลาเร า, าหนาวเรานั่งท่านี้พเพราะนั่งท่านี้มันจะกดกดมันมีเวทนามันบีบเพราะมันบีบมีเวทนานไอ้ตัวเจ็บปวดมันไปแทนความหนาวมันเลยความหนาวหายไปเพราะไปบีบบีบเลือดไปบริเวณนั้นไม่งั้มันมีเลือดนีถ้านั่งปกตินี่นะมันบางคนเวลาหนาวมากเขาจะทำนี้ เล่งเราเอาเอาเลือดเอาไอหุ่นเอาอะไรมาอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็สบายขึ้นหน่อยนะแล้วมันก็ปกตินะไม่ใช่มันสะบั้นนะแต่มันเรียกร้องอะไรสักอย่างมาแทนทดแทนบริเวณนั้นฉนั้นธรรมชาติมันสร้างมาอยู่แล้วนะชีวิตเนี่ยถ้าเราสังเกต ด, ดูดีโอ้ไอ น, นี้เกิดจากอันนั้นอันนั้นเกิดจากอันนี้นมีแต่ทุกข์แล้วก็มีแต่แ ก, การแก้ทุกข์ กินไอ้มันออกไปเรื่อยแล้วก็สวมสูงเท้าเอาไว้ป้องกันไม่ให้กินไอ้มันออกมันก็เย็นๆขึ้นมาหน่อยพอเย็นมากเข้ามาเข้าเริ่มอครูนี้มันไม่สวยไม่ได้มาจากนอกแม่มันไปแล้วที่จริงเพื่อประดับตกแต่งหรือไม่ใช่เพื่อป้องกันความหนาวความร้อนท่านเองแต่มันเริ่มเปลี่ยนให้มันไม่มียี่ห้โฮ่ผ้าเนี่ยมันน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้เนี่ยเริ่มไปละเริ่มความสวยความงามละ เพื่อป้องกันหนามป้องกันอัน น, อนนี้แต่ก่อนนะแต่เขามันไม่เป็นแบบนั้นเน่ยเีนี้บริโภคเพื่อไม่แต่ว่าเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวทุกวันนี้แต่ก่อนเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้านโบราณเขาบอกให้เลี้ยงให้ให้เอาเคียวสัตว์ไว้ในบ้านคาว่าเคี่ยวสัตว์ไม่ได้หมายว่าไปข้อเอาเคียวเปนมานะแต่เลี้ยงตัวมันนะมันจะดูแลบ้านเรือนเราเดี๋ยวนี้เรามีตำรวจบ้านมี น, อนม้องมในสารพัด หมาก็หมดหน้าที่แล้วแต่ก่อนหน้าที่ในการดูแลหน้าที่ในการล่าสัตว์หน้าที่ในกา ร, า ร, าการอะไรเนี่ยมันจะหมดไปกลายเป็นมาเป็นเพื่อนเดี๋ยวนี้มันเริ่มเป็นเทพเจ้าคนแบกมันไปเดียเ๋ยวนี้ขับรถนั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถเป็นโน้ไปนเนี่ยมันทําหน้าที่เปลี่ยนไปนหมดนะ่ะเพราะเราเพราเราไม่ใช้หน้าที่ตามความเป็นจริงมันมีแต่ความเพลิดเพลินอะไรแล้วก็ซื้อเอาซื้อเอาซื้อเอา ท่านสิ่งลบข้างเนี่ยไม่ได้รับการฝึกฝนวัตถุสิ่งของแม้นนแตนน่ลูกหลานเนี่ยแต่ก่อนกล่าเป็นเป็นคนใช้เราอพ่อลูกหลานเนี่ยเป็นผู้คอยดูแลเราเป็นผู้เอาใจใส่แล้วตอนเท่าตอนแคร์เป็นผู้คน้นคว้าชีวิตของพ่อของแม่นั้นพ่อแม่จะฝึกเข้ามาแต่เด็กแต่เล็กนี่นะลูกความยุ่งยากนะความอดทนนะความกตัญญูนะอะไรประมาณเนี่ยจตปัจจุบันนี้ใหม่แล้วพ่อแม่เลี้ยงลูกเพื่อ เือเป็นตุ๊กตาน่ารักเล่นเฉยๆไม่ได้เสริมคุณธรรมอะไรให้มาเรียนเยอะๆ เ, เพื่ออะไรถ้ามาเรียนสูงปุ๊บถ้าเราเรียนไม่เรียนสูงให้ลูกเรียนทุกสูงเหมือนเรามีหน้ามีตาอย่างเงี้ยลูกมีแฟนรวยๆเหมือนเรามีหน้ามีตาทางสังคมเนี่ยแต่สังเกตนะเดี๋ยวอย่าล้างกันเดี๋ยวอย่าล้างกันเพราะภูมิธรรมเขาไม่มีคุณธรรมเขาไม่ฝึกเขาไม่ฝึกไม่หัดอยู่ความอดความทนความสงบความอะไรเงี้ยมันไม่พอ นั้นปัญหามันก็เกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นเกิดจากอะไรเกิดจากพ่อแม่ไม่ได้ทําดีไว้ให้ลกูกทําถูกไว้ให้หลานไม่รับการฝึกฝนนั้นเวลามันของเงินไปก่อนขอห้าบาทสิ บ, บาททําความดีจึงได้จาพ่อจากแม่ดีนี่ไม่หมถ้ามึงเรียนอย่างกูนึกกูจะให้รถยนต์มึงไม่จะให้รถยนต์แม่จะให้ไปต่างประเทศไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยดูดิ ท่นจะเอาคุณธรรมจากลูกมาจากไหนสิ่งเหล่านี้นก็คือกิเลสทั้งหมดนะตามใจตามใจตามใจตามใจเพี่ยงแต่ว่ามันทําตามที่เราชอบหน่อยแหละท่านทั้งสังคมมันก็เสื่อมทรามลงลูกของคนนี้คนนี้ก็ฝึกแบบ น, นี้ลูกของคนนี้คนนี้ก็ฝึกแบบ น, นี้แล้วางคนต่ฝืดแล้วมันมาเจอกันเนะี่ยพวกไม่มีคุณธรรมด้วยกันจ้ทําไงมันก็ผิดศีลผิดธรรมนู่นนี่ตาแล้วแต่มันจะเป็นน่ะซาละพัฒปัญหาชีวิตเขาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ นันสังคมทุกวันนี้ใครดีใครอยู่ใครดีใครอยู่นะใครไม่ดีเจ็บนะสังคมแบบเนี้ยเหมือนระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบนั้นแหละคล้ายๆกันใครดีใครอยู่แต่ก่อนบนเมืองปกครองแบบสมบูรณ์ระนาญเศิทธิราชสมบูรณาญเศรษฐีราฐสิทธิเป็นเรื่องของพระชาชาโดยสมบูรณ์แบบ พระรจชาพูดคนเดียวเขาเรียก ว, ว่าราชอาณาจักรสังเกตดูนะอย่างสหรัฐสหรัฐเนี่ยไม่เป็นอังกฤษเนี่ยสหราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นสหรัฐแต่ถ้าเป็นดับการปกครองเบรกษักแบบสมบูรณ์ในยานสิลป อ, ออกไปเนี่ยจะเป็นสาธารณรัฐสาธารณรัฐ สาธารณะคือคนทั่วไปช่วยกันปกครองประชาชนทั่วไปปกครอ ง, อ ง, องล้มสมบูรณ์อย่างลาวสาธารณรัฐประชาชนที่ประเประชาชนลาวเยสาธารณรัฐประชาชิปไตยสังคมนิยมเวียดนามเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนไี้ดีแต่เป็นเป็นอะไรเป็นราชอาณาจักรราชอาณาจักรนะครับราชอาณาจักรสเปเน สวีเดนไทยเนี่ยอังกฤษเนี่ยคือมันมันชื่อมันจะหมุนหมุนไปเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขาไปอยู่เนี่ยเป็นอะไรเหมือนกันทุกวันนี้ก็เหมือนกันน่ะสังคมทุกวันนี้ลูกเป็นใหญ่ฮไมไ่มีคุณธรรมแต่ก่อนจริงๆเขาปฏิบัติธรรมเขาเห็นพ่อแม่เป็นไหนเป็นสมมตินะพ่อแม่เป็นสมมติแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาจิตของคนที่ไม่ได้ฝึกได้หัดมาเห็นพ่อแม่เป็นสมมุติแล้วก็แล้วแต่จะทําอะไรไม่ใช่ เขาให้เห็นด้วยทได้เกิดดวงตาเห็นทำด้วยเกิดทำม้จักสุเพื่อการปล่อยวางเพื่อให้ไม่เกิดการยึดติดเพราะยึดติดเนี่ยมันจะติดอารมณ์มันเป็นทุกข์เป็นอุศักต่อการฝึกฝนเพื่อบรรลุธรรมแต่ถ้าบรรลุธรรมแล้วมันไม่มีความอักตันอยู่มันไม่มีเข้าใจสมมติแต่มันไม่อักตันอยู่นะ mm hmm. เข้าใจสมมุติว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่มันไม่เกิดกิเลสตัณหาราคะนะอะไรประมาณนี้แต่คนส่วนมากมองเอาแค่ ทุกอย่างสมมติล็อกสมมุติล็อกแต่จิตมันไ ม, ไม่ได้ฝึกมามันเข้าใจสมมุติในบริบทของคนผ่านก็คือจิตมันไม่ได้ฝึกหัดมามันต่างกันนะะฉนั้นปัญญาไม่เกิดเหมือนคนทั้งหลาเป็นธาตุสี่ขันธ์ห้าธาสี่ขันธ์ห้าถ้าคุณจะทำคุณไม่พอคุณมองธาตุสี่ขันธ์ห้ามันไม่ได้มองธาตุสี่ขันธ์ห้เป็นราคะโทสะโมหะขึ้นมาจะดีเป็นอึดัดขัดเคืองเป็น พอใจไม่พอใจแต่เข้าใจนะแต่มันไม่เป็นมันฝึกสติที่มันเป็นถ้ามันเป็นได้เราเป็นเหมือนมุนีเป็นผู้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเป็นผู้รู้เท่าทันทุกมันเกิดยังไงเราก็เห็นสภาวะอันนั้นมันก็สบายอยู่ป่าก็ได้อยู่ดงก็ได้อยู่ดอนก็ได้แต่เราก็เป็นมุนีเป็นปราดเป็นนักปราดผู้รู้ผู้เห็นใช่ไห เห็นทุกหมนเกิดตรนไหนก็แก้ได้ตอนนั้นเห็นทุกตอนนี้ปัญหาพูดในไเเขาเรียกว่าปัญหาสมุทัยทุกหมนเกิดตรนไหนเห็นมันดับได้เห็นทุกเกิดที่ไหนดับได้ดับได้ดับได้ดับปัญหาเนี่ยใจมันก็สบายมันไม่มีคู่ต่อกอนกับชีวิตเราไม่มีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคต่อการเดินทางไม่มีอุปสรรคต่อการอยู่กับผลกับมรรคของเราเองจิตมันสบาย นั้นคุณจะทำวันหนึ่งก็ดีไปขนาดหนึ่งอ่าเดือนหนึ่งผ่านไปถ้าเราอยู่ความสงบภูมิธรรมมเริ่มมีภูมิธรรมเริ่มมีเริ่มพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเราทํำก็เฉพาะหน้าที่ของเรานั่นหลายๆคนพอพอไม่ทําหน้าที่เนี่ยพอถึงเวลาทําหน้าที่เราติดอารมณ์แต่เราไม่มีศีลเนี่ยเราทําแล้วแต่เราจะทําไปแต่พะจะทําหน้าที่รู้สึกทุกข์มาก รู้สึกติดอารมณ์เมืเ่อไหร่ก็ต้องหนีหนีจากที่เราเคยอยู่เพราะเราไม่ได้สาระประโยชน์แต่เรามองว่าสภาพแวดล้อมไม่ไดีจริงไม่ใช่ตัวเราเองเนี่ยไม่มีความหมัน่นความเพียรในการสร้างเก็เอา้านี้ไปอยู่ที่โน่นหนีวิ่งเพื่ออะไรเพื่อไปหาความสงบละแต่ความสงบที่ผ่านมาเราก็มีอ่แต่เรารักษาไม่เป็นพอรักษาไม่เป็นเนี่ยรู้สึกว่ามันกระแทกกระทันมันเก็บเข้ามาเยอะ นี่พอจะออกคือต้องหนีไปไกลๆก่อนแล้วค่อยอาออกจริงๆเล่านี้จากบ้านมาวัดก็ถือว่าเยอะแล้วแต่พ่อมาอยู่ในวัดพ่อไม่สัมรวมระวังเนี่ะมาติดอารมณ์แล้วเราก็ไม่อยากอยู่วัดเนี้ยไปอยู่วัดนั้นจิตมันจะไปนั่นไปไหนไปหาความสงบจริงๆเนี่ยไปหาความสงบเราไปหาความสงบให้กับ ต, ตัวเองแต่ความสงบมันมีอยู่แล้วมีอยู่ในคนทุกคนแล้วก็มีแบบง่ายๆแบบสบายๆด้วยนะ ในที่ที่หนึ่งๆเนี่ยคนที่ยึดมั่นถรือมันจะไม่มีความสงบแต่คนที่ปล่อยวางจะมีความสงบเกิดขึ้นความสงบทาว่าเพียงพอไม่เพียงพออ่านะเพราะว่ามันจิตส่วนหนึ่งต้องไปผูกพันอยู่กับศรัทธาอยู่กับศีลอยู่กับสุตะอยู่กับการได้ยินได้ฟังการครบกับไรายาณมิตรเนี่ยเอาคนนั้นกับปฏิบัติคนนี้กับปฏิบัติคนนั้นก็สงบเนาะคนนี้ก็สงบ แข่งขันกันสงบใครจะสงบมากกว่ากันบางคนสงบเพราะวิเวกบางคนสงบเพราะอสมาธิกดมันไว้แต่บางคนสงบเพราะการเห็นแจ้งเนี่ยบางคนสงบเพราะสถานที่มันวิเวกเฉยๆนะไม่อยากไปอยู่ทอนนี้คนน้อยอยู่ตอนนี้คนมากอะไรแบบนั้นโอ้ยตอนนี้ไม่สงบตอนนั้นมันอรรมมาบอกเนี่ยธรรมาเห็นดีแล้วว่าธรรมาอยากฝึกอะไรโยมะบางคนมันก็ต้านนะมันไม่อยากฝึกตามนี่แล้วบอก แล้วได้จะมองว่าเออเราทำดีที่สุดแล้วนะเราช่วยเขาดีที่สุดแล้วนะนั้นธตรมจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยเสียใจอ่ะคนนี้ทำดีก็ไม่เคยเสียใจคนนี้ทำไม่ดีก็ไม่เคยเสียใจมันไม่เคยเสียใจว่าเราทาผิดกับเขาไม่มันเป็นธรรมชาติเราทำเท่าที่ทำได้เท่านั้นแหละนะไม่ค่อยบอกไม่ค่อยกล่าวก็ นั่นแหละคือที่ดีที่สุดแล้วเวลาบอกเก่าเขาเสียใจก็คือคิดว่าดีที่สุดแล้วทำหน้าที่มันดีที่สุดแล้วนั้นบางทีบางคนเอ้าเราอยู่กับเขาเขาอยู่กับเราเนี่ยดีที่สุดละสอนเขามาได้เท่าเนี้ยด้วยสติด้วยปัญญาด้วยนู่นด้วยนี่ด้วยภาระด้วยความรู้สึกอใจที่มอบให้ได้ประมาณนี้ยนั้นมันไม่ได้เป็นไปอย่างใจก็ถือว่าดีที่สุดละเข้าไปไม่เสียใจ เขาอยู่ไม่ได้เสียใจไม่ได้ดีใจก็คือธรรมดาธรรมดาบางทีเขาจะมองโอ้ยทําไม่ดีเท่าไหร่น่าจะดีกว่านั้นน่าจะดีขึ้นแต่นี้เงื่อนไขคือเท่านั้นแหละนะมันอาจจะดีขึ้นเวลาเราเปลี่ยนเงื่อนไขเวลามันเราอาจจะดีขึ้นมันไม่เปลี่ยนเงื่อนไขแต่เงื่อนไขเนี่ยไอ้ข้างนอกเนี่ยมันจะมีอยู่ยี่สิบห้าเอร์เซ็นต ครข้างในตัวเราเองเนี่ยประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิ้าคือไปเปลี่ยนเงื่อนไขศรัท ธ, ธาศีญสุตตะพุหุจาระคะจาระค่ะจุจักสลัดอารมณ์จารค่ะศรัทธาศีลสุตตะพุหุสุศรัท ธ, ธาสิญยิลิโอตปะยิลิโอตปะจริงๆคุณธรรมเนี่ยเวลาเราศึกษาพุทธพจน์เนี่ยเ ล, ยล่ย์ พ, พวกพิจารสมมว่าถ้ามีฮิลิอตตะปะเยอะๆมากเขา้ามาเขา้ามาเข้าเนี่ยก็บรรลุทำได้ฮิลิอตตะปะฮิลิคือความเห็นจิตตัวเองอายใจตัวเองที่มันนึกมันคิดเนี่ยแล้วมันทำเนี่ยอายอตตะปะคือความเกรงกลัวต่อแบบคือเกรงกลัวต่อจิตที่มันจะติดอารมณ์ฮิลิความอายใจอตตะปะคือความเกรงเกรงกลัวต่อการติดอารมณ์มันติดอารมณ์จิตไม่ค่อยมีสมาธิเนี่ย เวลาเราพูดคุยกับคนนี้ก็ดีเราไปทะเลาะกับนี้ก็ดีเราฆ่าสัตว์ก็ดีขโมยก็ดีอะไรประมาณนี้นิดน้อยหยิบนู่นหยิบนี่ไปทื่สุดมันติดอารมณ์สัยหนึ่งอะตะมามีคนไปไปบินสบายเลยจะมีเงินเหรียญเขาให้เงินเหรียญมาัสะสมมาเยอะเลยมันเป็นทุกข์ไปตักน้ําเอาก็ติ่น้ําไปตักน้ําใ่ไหวเลยเนออก็ห่วงมันนะเวลานั่งปฏิบัติทำนั่งสมาธิ ก็เนื่องถึงมันไม่ได้อารมณ์สมาธิเขามานับเหรียญเล่นเอาไปมาให้วุ่นวายว่ะไปบิณฑบาตใส่ถุงไปให้โยมดีกว่าว่ะคนไหนใส่บาตให้เขาเลยเป็นถุงไปดูไปดูถอา้าวจบรู้สึกสบายใจเดินตัวเบามาตัา้งแต่ไปบิณฑบาตแล้วน่ะโอ้มันยึดป่านนี่น้อจิตเนี่ยเหรียญประมาณสักสี่ร้อยห้าร้อยเนี่แหละสมัยก่อนเหรียญห้าเป็นเิมเรียมนะเก้าเหลียนะ 9, หล่ยม แล้วมาเจอเงินปลอมสมัยโน้นดีหน่อยบริจาคไปก่อนมันสบายฉนั้นเราไม่อยากผิดศีลผิดธรรมไม่อยากโน่อนอย่างนี้มีความละอายแก่ใจมีเฮริมีอดตะปะเฮริอดตปะปาฉะนั้นบางคนที่บรรลุทำแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าจะเป็นคนเขานอบน้อมถ่อมตัวนั่นนี่คือเขารักษาตัวเขาเองนะน่นแหะไม่ใช่เขาไหว้คน อ, อื่นแนะ จริงๆนี่เขารักษาจิตตัวเองคุณธรรมมันมีแล้วมันฉายแววออกมาข้างนอกเหมือนคนที่มันมีแววพอไปขัดเกล้าหน่อยสามารถเป็นนักร้องนักลํานักเต้นนักบอล น, นักบาสมันเป็นไว้ได้เองนลมันเร็วนักวิ่งนักแข่งเลยมันมีแววอยู่ข้างในเหมือนกันนะ่ะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันฉายแววเหมือนคนผู้มีคุณธรรมเป็นอริยบุคคลอยู่ข้างในมันจะเริ่มปรากฏภาวะนนี้ออกมาเคยอเฮีนริอตตปะเนี่ย มีความนอบน้อมมีความน้อมตนตัวมีความสงบละแต่ก่อนเคยพูดเคยคุยทุกวันทกวันมาวันนี้วันที่หกที่เจ็ดไม่พูดไม่คุยละเริ่มตั้งใจปฏิบัติเขามีหินอุัตวะแล้วเขารู้จักจาระสลัดอารมณ์อยู่บ่อยๆอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาเดหลายหลายคนนะเวลามาปฏิบัติทำเนี่ยเป็นคนไม่เคยภาวนาอ่ะแต่ลงตาคุยเล่นถามว่าตองนี้เขา มันเป็นคนที่จิตว่างๆแล้วสัมผัสได ว, ว่าเขาเป็นคนใจว่างใจว่างๆแล้วเป็นคนซื่อเขาซื่อมันเหมือนโง่นะแต่เขาเป็นคนซื่อเมื่อคืนดูอาจารย์ท่านหนึ่งที่มาเป็นคนว่างๆแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่ดูแล้วคือไม่มีเวลาได้ปฏิบัติธรรม นั้นคนไหนที่ใจว่างๆไม่ค่อยยึดไปก็หลงตัวเองว่าตัวเองไม่มีทุกข์อะไรประมาณนั้นแต่มันก็ไม่เห็นสัจธรรมแบบนี้เพื่อนคนที่ใจว่างๆมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเขาสะสมบารมีเยอะนะเวลาปฏิบัติธรรมไม่นานแล้วเขาจะปิ้งทันนี้เกิดการรู้แจ้งนันนี้แต่บางคนขี้เล่นนั่นนันนี้นี่อยู่ปฏิบัติธรรมก็มันเป็นผู้บวบๆเดี๋ยวตั้งใจเดี๋ยวไม่ตั้งใจเดี๋ยวตั้งใจเดี๋ยวไม่ตั้งใจอะไรประมาณนั้นมันก็รู้ยากอะ แต่บางคนที่เขาปล่อยวางอย่างนี้เขาจะเริ่มใส่ใจทั้งหมดนะสรัทธาญาสติสา ม, มาธิขปัญญครับมันจะพุ่งตรงแหลมคมมาตรงนี้ทนันทีตรงที่มันจะติดอารมณ์อะไรเล็กๆเนี่ยมันจะแทงทะลุ ป, ปุ๊ทันทนีนะเหมือนแทงลูกโป่งจิ้มแ ต, ตะตบๆทันทีเพฉะนั้นใส่ใจแล้วสังเกตนะเมื่อไหร่ที่เรามีศรัทธาเกิดขึ้นมีหิริมีโอตตะมีความเพียรพยายามเข้ามาเนี่ยวันนั้นเราจะเริ่มได้อารมณ์ทนันทีเริ่ม ตัดความปรงแต่งตัดความคิดตัดตามเลยจะศรัทธาแบบงมงายไม่งมงายก็ตามเนะี่ยพอมาจับใส่สติแล้วเนีศรัทธาคุณมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณมีสติเติมเข้าไปหน่อยนะมันจะเริ่มแหลมคมมาเรื่องกิเลสทันทีเป็นเรื่องของปัญญาทันทีเลยแต่ถ้าศรัทธาแต่ไม่มีสติเนี่ยกลายเป็นงมงายเลยนะหลายหลายคนนะงมงายศรัทธาแต่งมงาย คือคนมาหาคนนั้นคนนี้เวลาเราคุยด้วยเรารู้แต่เดียวคนนี้ อ, อ้คนนี้เป็นอย่างนี้แนหะคนนี้งมงายคนนี้เป็นอะไรแต่เนี่ยนี่ฝึกง่ายคนนั้นฝึกยากนะถารพัฒแต่มันจะเป็นนะแต่เราก็ไม่ได้ไปรับตรงนั้นนะไม่ได้รับว่าคนนี้จะงุนงิดออ่านคนนั้นดีไม่ดีมันเป็นธรรมชาติพื้นฐานจิตเป็นอย่งั้นแหละแต่พอฝึกแล้วเนี่ยถ้าฝึกได้ยินได้ฟังได้ไดศึกษาได้เดรียนรู้ปฏิบัติทรมด้วยกันเยอะๆเลยไม่เกิดปัญญาไม่น่นไม่นี่เขาถึงเรียกว่าคน เริ่มตัดสินใจว่าคนนี้มีปัญญาทึบคนนี้ปัญญาสามสอนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อสอนเท่าไหร่ก็ไม่ตั้งใจคนนี้มีปัญญานะบอกปางกระทบกรทั่งไม่ได้ทะลุถึงจิตทนันทีงุญหญนหงิดทันทีเบื่อหน่ายทันทีเนี่ยคนนี้พูดแล้วพูดอีกเนี่ยคนคนนี้นิสัยไม่ดีเนาะแต่พอลงมือปฏิบททัติท่านเริ่มสงบลงสงบลงเริ่มดีเลย น่ที่ทางไปสู่ความเป็นมุนีแต่ดีเป็นปาดได้แต่ดี้องไปสังเกตตัวเองตัวเอวเรานะจะรู้ว่าปัญญาเนี่ยมันมีในตัวเราทุกคนเราจะสามารถเห็นแก่นแท้ของชีวิตแก่นแท้ของชีวิตในพจนานุกรมเซนเนี่ยคือธรรมกายเรามาหาตัวเองก็คือหาธรรมกายภาษา เทระวาสเขาใช้ว่านามกายได้สวยสุขด้วยนามกายเป็นฌานสามสวยสุขด้วยนามกายนามกายหรือธรรมกายกายธรรมนะอันนี้เป็นกายเนื้ออันนี้กายเนื้อตัวเรามีกายเนื้อแต่ข้างในาวิกายธรรมเพราะสฉพาะว่ากายที่มันเป็นธรรมเป็นธรรมคือกายที่มันไม่ทุกเนาะทำทําอะไรก็ไม่เป็นทุกทำอะไรก็ไม่เป็นทุกท อา้ามีทุกก็ไม่ทุกอะไรก็ไม่ทุกเออเราได้กายทําขึ้นมาก็คือการปล่อยวางนั่นเองคนมาดามาว่าหูก็มีนะี่ยแต่ไม่ทุกมันเป็นเหมือนหูทิพนะ่ะฟังเรื่องแต่ดีๆเรื่องไม่ดีมันไม่เอาตาก็เหมือนกันเริ่มตาทิพและอะไรที่มันดีมันค่อยดูอะไรไม่ดีมันก็ทิ้งนะอาหารปากมันก็กิกนเท่าที่ความจําเป็นเนี่ยเริ่มมีปากทิพแล้วกายก็กายทิพไม่ยึดติดในวีนะนะเมื่อก่อนแตะไม่ได้ทุกทะษี เจ็บปวดเมื่อยอืดดัดเกิดเครื่องโทสะโม่ะไหลขึ้นเต็มตัวเนี่ยมันมามันเป็นทุกข์เพราะอันนั้นใ่นเราเปลี่ยนแล้วเริ่มมีกายทิพย์มีธรรมกายมีธรรมกายกายเป็นธรรมมีนามกายมีความรู้สึกสัมผัสกับสภาวะธรรมแบบความเข้าใจแบบปล่อยแบบวางไม่ดีอกชกตัวต้องเจ็บต้องปวดต้องเมื่อยตอนนั้น นั่นหลายคนมาอยู่อยู่ก็ อ, อะไรอยู่รอเวลากลับนะเนี่ยลุ้นเวลากลับแต่ไม่ได้ลุ้นหาสัจธรรมเส้ได้เวลานั่นะสัตว์ที่มันมาเหมือนกันสมองเหมือนกันสติปัญญาเขาให้มาเท่าเท่กันแต่การแสวงหาการรวบรวมสติเพื่อทําลายกิเลสในจิตตัวเองดับความคิดดับความปรุงแต่งดับความเบื่อความหนื่อยเนี่ยน้อยมันไม่แหลมคมมันเวลาเท่ากันแต่ได้ไม่เท่ากัน คนที่อยู่กั บ, บรพระพุทธเจ้าพระราหุนอยู่ไม่นานบรรลุธรรมพระเทวทัตก็อยู่พระพุทธเจ้าทำร้ายพระพุทธเจ้าต่างหากพระนอนอยู่พระพุทธเจ้านานกว่าจะบรรลุธรรมมันเราจะรวบรวมมาทั้งหมดทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งเ่ินกัลยาณมิตรเพื่อทั้งอาหารการกินทั้งอะไรเนี่ยบริบททั้งหลายทั้งพวงทำให้เกิดศรัทธาศนะีลนะยีริอัตตปะพระหูสัจจะแล้วทำให้เกิดการจาคะ จาะมกเข้ามาเข้าสลัดเมื่อเขาปล่อยวางมาจากโคเป็นการสลัดทิ้งปฏินิสโคเป็นการสลัดคืนมุติเป็นความปล่อยวางอานาลโยไม่มีความอาลัยอาวรกับอารมณ์ตัวเองที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยทิ้งได้เลยวันก่อนเราสวดอภิธรรมนะเนื้อหาสาระเราคงเข้าใจตงแต่ไม่ได้อธิบายให้ฟังนะฟังเนื้อหาสาระเราไม่ได้บอก เ่อเลยบอกสู่ความเป็นมุนีของเรานี่แหละสู่ความเป็นผู้สงบแต่ตองสงบจริงๆจนท่างสงบถึงที่สุดไม่มีอะไรมาปรงแต่งได้อีกต่อไปเราได้ถึงได้ซึ่งความเป็นสิ้นไปลงตันหาตัวนั้นอโมนีแท้บางคนตื่นสายบางทีไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น ไม่รู้จักเลยมาแล้วมันก็ใส่แล้วไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์มันตอนเด็กๆนะตอนวัยรุ่นตอนวัยหนุ่มมันขึ้นมาเนี่ยมันจะแดงๆเลยต้องเสียงเงินไปดูพระอาทิตย์ตกนะที่ประภาค า, ารกาญจนาภิเษกแหลมปรอมเทพเนี่ยต้องไปดูที่ผาแต้มดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกเนะีเพราะมันไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ที่ยิงดวงเดียวกัน น, นั่นแหละแต่เราไปปรุงแต่งวันนี้เดี๋ยวจะปล่อยท่านไปดูดวงอาทิตย์ มันจะแดงๆนะดวงอาทิตย์เนี่ยปัดกวาดเล่นตามตลอดท้นทางเพราะแดดขึ้นปุ๊บเนี่ยลมมันจะหายใน ด, ดีนะที่เนี่ยพอแดดวันสองดวงอาทิตย์ขึ้นมาเต็มดวงพ้นขอบลมจะหายไปใน ด, ดีเลยแต่ก็แดดยังมีขึ้นมันจะไม่หายมันจะลมพัดไปพัดมาพัดไปพัดมาอันเวลาปัดกวาดแล้วก็อยู่ห่างๆกันหน่อยแล้วนะพอกวาดตอนนี้เหมือนเข้าจมูกคนนั้นคนนั้นกวาดเข้าจมูกคนนั้นอยู่ห่างๆกันไกลๆกัน ต่างคนต่างทำหน้าที่เงียบๆแล้ววางไม่กวาดได้ยนินเสียงระชงังแปังเข้าที่ปฏิบัติทําเลยนะสมาธิสิ่งแวดล้อมมันช่วยนะช่วยเป็นสมาธิเราสะสมตัวรูม้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งหน่อยมันเวทนานะตอนแสงสายสามโมงสี่มงจะเริ่มหงนิดลนะ้วว่าอ้กูหิวข้าวว่ากูนั่นกูนี่เนี่ยสติที่มีมันจะทะลุได้หรือบางที่มันเบื่อมาไหนหรือบางทีนะไม่หิวเลยเนาะจิตนี่ สบายนั่นนั่งสร้างจงว่าทั้งวันเมื่อวานข้าวเต็มท้องเลย ง, ง่วงวันนี้มันมีง่วงแล้วศึกษาหลายๆแบบหาดูเต็มตัว